สาโลกไม่สามารถจะรู้หรือว่ า, าทราบีิแววคือความเป็นมาของตนจะเป็นมาด้วยอาการใดมีความผิดผุกมากน้อยเท่าไหร่ในกำหนดใจบ้างทั้งสินและต่าง ทั้งที่เราต่อเป็นผู้ทําเองเป็นมาเอง ต, ตามธรรมดาสิ่งที่เราเป็นมาเองทําเองมันก็ไม่นา่าสงสัยแต่ตรงข้ามม่อกลับไม่รู้เียเลยว่าความเป็นมาของเราเคยเป็นมาอย่างไรบ้างไม่เพียงแต่จาสงสัยเท่านั้นทั้งไม่รู้เย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 เขาองค์เป็นมาอย่างไรจนกระทั่งวัน จ, ะจะัสรู้ถึงในสั่งอย่างเป็นพระถ่แต่จวนเวลาสิดท้ายที่จะถึงความเป็นพระพุธทธเจ้านี้หาทรงทราบได้บ้างเป็นลำดับหนึ่งเนี้ยมาชัดเจนขึ้นโดยไม่มีข้อข้อง ถ้าไายไมสงสัยลเลยเพราวันจักจะรู้เจริญ น, นำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เกี่ยวกับพระองค์โดยเฉพาะคือแถวแนวแห่งความเป็นมาของพระองค์แงะความเป็นมาของโลกซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกัน นำมาสอนโลกด้วยวิธีปฏิบัติส่วนใดที่ยังไม่ทราบเรื่องราวของตนนีจะพอทราบได้ด้วยวิธีใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนด้วยวิธีนั้นและทรงแสดงผล ท, ที่เคยเป็นมาของสัตว์โลกทั้งสิ้นทุกอย่ทั่วประการต่างๆ มีพระองค์เป็นต้นให้โลกได้ทราบเหมือนกันเส้นชาตินั้นเป็นอย่างนั้นชาตนี้เป็นอย่างนี้นี่โอ้โหชาติเป็นอย่างนั้นมย่านี้เรื่องสิ่งที่ปิดบังอยู่นี่ที่ไม่ให้สัตว์โลกทั้งหลายทราบคืออะไรถ้าเป็นความสว่างหากเรามีในตาก็ควรจะทราบ พร้อมควรจะมองเห็นเป็นดีแวลทางหูเมื่อหูเราดีอยู่พวกคนจะได้ยินเป็นดีแวลทางทางจมกูกถ้าจมกูกเราดีอยู่พวกคนจะได้กลิ่นว่ากลิ่นแห่งความเป็นมาของเราเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นแต่นี่ไม่มีดีแวอะไร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 แต่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งนั้นได้สำหรับบุคคลที่มีในตาทีา่ขึงนลงหูจมูกริมฝีากคึ ง, คงเทียบกันโดยไหนนีสิ่งมาอธิบายขยายออกไปห้มากมาเสียแล้วหรือหละและสิ่งที่ปิดบังความสว่างอยู่ภายในนี้พระพุทธเจ้าท่านให้ชื่อว่าพิเก ถ้าปิดมากปิดน้อยคอดำมากดำน้อยมืดมากมืดน้อยเป็ น, นำลดำดับลำักมากสามารถที่จะให้พู่ถูกปิดดังนั้นได้รู้จริงเห็นจริงได้ในสิ่งที่เป็นมาของตนมีความเกิดเป็นต้นทงานสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกับนิส า, ายของสารโลกทั่ ว, วไป เพราะความอยากเกิดหากถือว่าเป็นสัตวจูแล้วใครๆก็ไม่อยากจะเกิดกันนีถืออยากจะเกิดกันทั้งนั้นนิสัยอยา ก, ากเป็นนิสความเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องของกองทุกข์เรากลับเห็นว่าเป็นนิสต่อเรา เท่ากับเรารักสาเหตุของความเกิดตายนั้นว่าเป็นมิตรเรารักชอบยึถือว่าสาเหตุของความเกิดตายนั้นเป็นมิตรของเราอีกเช่นกันฉะนั้นการแก้ทิเลตคือสิ่งปิดบงังให้มืดมิดปิดตาของเราจึงเป็นสิ่งที่ขาดโลกจับคุณสนใจและแก้ไขาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้โดยยาก แล้วสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ตัวเราเองไม่ทราบมาเราได้เคยเป็นอะไรมาบ้างเพราะอานาจแห่งจิตเป็นผู้ขักไสให้ไปเกิดขึ้นจริงแล้วแสดงผลออกมาโดยลําดับนี้แบบนั่งนับตั้งแต่วาระเกิดขึ้นมาจนทั่งถึงวาระสุดท้ายสุดสัมปันนี้แต่ญาติพึ่งด้ความทุกข์ควา ม, มกกลําดับากทรมา จน ด, ดีโดยธรรมสมอความเกิดตายนี้จอมปราดทั้งหลายมีพระพุทธเจ้ยยาเปนน็นทรงถือว่าเป็นไผ่จึงมีพาสิทธิ์อันหนึ่งขึ้นรับรองว่าลุกขั้งนับถีออาชาตาศะก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 ทรงปรสงค์อะไรมากนักที่จะให้ตาดโลกรู้อย่างนั้นแต่สิ่งที่ทรงมุ่งหมายอย่างยิ่งก็คือเรื่องของทุกข์เรื่องของสมัณันเรื่องของมรรคเนี่ยเรื่องของมิรธดซึ่งมีอยู่ภายในตูวของเราธรรมะ ที่พระองค์ประกาศแก่สัตว์โลกจึงทรงสแสดงสัจธรรมนี้ขึ้นก่อนอืน่นเป็นการกระเพือนไปทั่วทั้งโลกธาตุปัรญาสัตว์ทั้งขารที่มีวิญญางเขาจะมีสัจธรรมเหล่านี้อยู่ภายในตัวอย่างน้อยก็มีทุกข์ับตัวมีไผยหากว่ามรรคยังไม่สามารถจะเกิดขึ้นนั้ และทรงสั่งสอนเน้นหนักลงในสัจธรรมนี้จนเป็นหลักของศาสนาที่ประกาศธรรมต่อโลกเรื่อยมาไม่ส่งลดละเพราะเป็นตุกศุนกลางอันตั้งแม่นยำและกระเทือนทั่วทั้งโลกฐานว่ามีอยู่ในสัจธรรมน้เท่านั้นทั้งฝ่ายสั่งสมและฝ่ายบุกเบิกถอดถอนให้หมดขึ้นไปสัจธรรมจริงเป็นธรรมที่กระเทือนทั่วทั้งโลก สงสารจิตไ ร, รโลกะค่ะทั้ง 3. สามท่านสอนให้พวกเราทั้งหลายทราบอันนี้แม้จะไม่ทราบเรื่องอดีตความเป็นมาของตนก็ตามและทรงสอนลงในจุดนี้อันเป็นสิ่งที่จะสามารถให้ทราบได้ทั้งอนาคตและอดีตที่ตนเคยเป็นมาอย่างไรโดยถือหลักปัจจุบันที่กําลังเป็นอยู่นี้เป็นเครื่องทดสอบคือเป็นเครื่องวัดกัน ไม่ถูกคือเป็นเครื่องวัดเครื่องทดสอบอย่างถูกต้องแม่นยำหายสงสัยได้ทั้งฝ่ายอดีตและอ น, นาคตซึ่งเป็นมาแล้วของตอนและจะเป็นไปอยู่โดยลำดับด้วยหลักปัจจุบันนะคธัตคือการรู้แจ้งขห่งจริงในธรรมอันเป็นจุดศูน์กลางนี้ได้แจพิจารณาเรื่องทุกข์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 อันเป็นฝ่ายต่ํำหรือเป็นฝ่ายถูกมัดท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกัปวัตตนสูตรว่าเสถีออยรที่ดังกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานี่เป็นรากแก้วอันใหญ่โตของสมุทัยกามตันหาคือความรักความใคร่ในวัตถุและอารมณ์นั้นมีจํานวนมากมายกลายกองตีความหมายไปได้ทั่วโลกทั่วสุขสาร พิจารณาแหนงของมันแตกไปในสิ่งวัตถุอารมณ์อันใดใดบ้างรวมเข้าเป็นกามตปัญหาภาวะปัญหาคือความดีในสิ่งที่มีหรืออยากในสิ่งที่มีอยากในทบในชาดอยากเกิดที่นั่นที่นี่ระยะแตกจะพูดก็ถูกหรือภาวะปัญหา อยากในสิ่งที่ไม่มีอะไรไม่มีความเที่ยงแค่ถามวอนในสัตว์แล ะ, และสังขารนี้มีได้ที่ไหนเพราะโลกนี้เป็นโลก อ, อนิจจ์มีกฎ อ, อนิจจงเป็นเครื่องบังคับลายตัวอยู่เท่ น, นั้นไม่มีใครจะสามารถลื้อถอนให้โลก อ, อนิจจงนีเน้เปลี่ยนเป็นโลกนิจจงไปได้ แต่เราต้องการยิ่งนักในสิ่งที่ไม่มีเหล่านี้เพืออยากให้เที่ย ง, งหนาเทาวอตามความต้องการของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เจียว่าำปิดฉันนราปฏิามปิดทุกขงังราถนาสิ่งใดไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นถุกเราจะว่าตั้งแต่สิ่งที่มีอยู่ไม่สมหวังเลยแม้สิ่งที่ไม่มีก็ต้องไม่สมหวังเช่นเดียวกันพระมันไม่มียิ่งเป็นของ สุดยิ้งย่ที่จะให้มีสิ่งยิ่งกว่าสิ่งที่มีอยู่แต่เราไม่ได้อย่างใจหลังนี่แหละเรื่องความทุกข์มันเกิดที่ตรงนี้มีเรื่องใหญ่ของชิวิตแล้วให้กําหนดดูเรื่องกองทุกข์มีอยู่ภายในร่างกายของเราทั้งที่ผู้เจ็บป่วยได้ป่วยทั้งที่ผู้เป็นตกตกกะติ ไม่ได้เจ็บไข้ได้ปวนก็เป็นคนในลักษณะเดียวกันคือเป็นผู้อยู่กับทุกข์เช่นเดียวกันเพราะร่างกานี้เป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์ทั้งหลายจิตใจเมื่อมีเชื้อที่จะให้เกิดสมุทยัยมีเชื้อคือสมุทัยที่จะเป็นเครื่องผิดทุกข์ขึ้นมาได้อยู่แล้วก็เป็นภาชนะสำหรับรับทุกข์ได้อีกเช่นเดียวกัน ท่านเป็นสอนให้พิจารณากายทุกเกิดขึ้นมากน้อยให้กําหนดอยู่ให้ดีว่าเกิดขึ้นมาก็อาจที่ทุกจะกําเริบรุนแรงขึ้นจนกระเทือนถึงจิตใจให้รับความเดือดร้อนถึงวนั้นก็เพราะตมุไทยเป็นผู้ส่งเสริมคือไม่อยากให้เป็นทุกอยากให้หายเพราะร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่อยากให้มีอะไรมากระทบกระเทือนเลยทั้งๆที่ร่างกายนี้ก็คือกองทุกข์อยู่แล้วยังมาถือเป็นเราอีก ไม่อยากจะให้มีทุกในสิ่งในสถานที่เป็นทุกนั้นมีนจิตก็มีความกำเริบขึ้นมาให้เกิดความทุกสองชั้นคือความทุกทางส่วนร่างกายด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆประการหนึ่งและความทุกของจิตที่เกิดขึ้นจากความต้องการดัทงที่กล่าวมาแล้วนี้ พิจารณาให้ดีมันเป็นปกติของมันอยู่แท้ๆทุกส่วนแห่งร่างกายที่แม่ประชุมกันอยู่ซึ่งโลกทั้งหลายสมมติกันว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัดเป็นบุคคลแต่ธรรมชาตินี้ก็เป็นความจริงของตนดีตามปกติของตนไม่เคยวันไหวโชกคลอนไปตามความ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 แล้วกําหนดดูคู่ทีปทไปยึดไปถือไปสําคัญมันหมายว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นเป็นข้องเราไม่อยากให้สิ่งนี้เป็นทุกข์เพราะเป็นการตะเคียมดราเอาความจริงเข้าไปจับเราอย่าเอาความอยากเข้าไปจับอย่าเอาความอยากเข้าไปทํางานเพื่อพิริ็กแต่ความอยากรู้จริงเห็นจินนั้นเป็นเรื่องของนัก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 เราจรึงควรจะพิจารณาในขณะที่ร่างการนี้ก็ตั้งอยู่และยังเป็นเครื่องมือให้เราทำงานเกิอผู้สนคือความเสียดสฉลาดถอดถอนตนให้พ้นจากสิ่งเหล่นี้เราควรทำเสียในวันนี้อย่าได้ประมาทความประมาทไม่ใช่ของดีเป็นการทำลายตน ทำขั้นกาวไว้ว่าอเชวะกิดจะมาตัดฟังโกธังามานางนะนังเสวะนะโนช่างนลังเตน ะ, นะห้าเท น, นมะมัสติมหาความเพียรเพื่อกุศลคือความแท้เลียวฉลาดที่จะดกตในให้พ้นจากทุกข์นั้นควรทําเดี๋ยววันนี้อย่าไปคิดว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นแก้วเป็นแหว น, เ ป, นเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรนจินดา เมืองพระเมืองสวรรค์นิพพานตัวของเราผู้ทํางานของเราที่ทํานี่แหละคืองานเพื่อเพื่อเพื่อสอนเพื่อสวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากที่หลุจึงควรสนใจในวันนี้วันนี้เต็มวันเป็นของเราโดยตรงเพราะเราไม่ฝากแต่วันพรุง่งนี้มาดูนต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่มาหนัดตาได้ด้วยกันทุกคน เพราะการตายนี้ไม่มีกำหนดกดเกณฑ์ไม่มีเศษมีหมายไม่มีใครบังคับบัญชาหน้าพอหมดประจายเครื่องสุกต่อกันเมื่ อ, อไรแล้วมันก็สลายตัวของมันได้เช่นเดียวกัไม่ว่าตัดเล่าบุคคลจึงไม่ควรประมาทในความเปลี่ยนที่จะจึงได้ผลจึงเกิดผลเป็นประโยชน์แต่ตนในขณะในการที่ขวดสำหรับโกชัญญาแม่นางสุเวยก็ใครบ้างยึืใครเล่าที่จะ ท, จะทราบว่าความตายจะมาถึงในวันครุ่งนี้มันมีใครทราบ ทางมหาเสนมหาเสนีม า, นามาตินะไม่มีอันใดที่จะยิ่งใหญ่กว่ามหาเสนีย์คือความตาัาน่ะไม่ทราบไว้าเสียคุณแล้วหยิบเล่นควนค้ายทำคุณ ง, งานความดีอย่าได้ประมาทหนักแต่จะไปเชื่อใครยิ่งกว่าพระโาว่าทําสั่งสอนความผู้บริเจ้าที่เป็นสว่วนขาตธรรมเพื่อคนมีกิเลสไม่มีสิ้นสุดเพราะตัวของตัวเองก็หลอกตัวเองจนพอแล้วหาดอัน้นตันใจทะละัลักออกไปหลอกคนอื่น โลกลมีแต่โลกปลอมหาความจริงไม่ได้คตัวของเราก็ปลอมของเขาก็ปลอมความรู้ก็ปลอมอะไรก็ปลอมไปหมดเมื่อระบายออกมาก็มีแต่เรื่องจอมปลอมเลยหาความจริงไม่ได้ทั้งๆที่โลกนี้พวกมีความจริงอยู่ไม่ใช่จะมีแต่ของปลอมโดยไถ่เดียวแต่คนไปคว้าเอาตั้งแต่ของปลอมมาหลอกลวงตนเองและทั่วไปจึงเกิดความเดือดร้อนบุบมาขึ้นไปซึ่งโลกนี้ก็มีหาความสงบสุขได้ไม่ใช่ว่า เป็นโลกที่เต็มไปร้วยกองทุกเต็มเปด้วความหลอกลวงความจริงยังมีแทกกันอยู่ถ้าเราหาในสิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์กแก่เราเราก็พอที่จะหาได้หากไม่ตั้งใจสั่งสมความจอมปลอมแ่านี้ขึ้นเราผานตอดึงดีหลอกลวงตัอเองอยู่ตลอดเวลาอันเป็นทางที่ผิดจากหลักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าและเป็นทางที่ผิดจากทางเดินเพื่อความท้นทุกข์ ว่าสมุทัยคือเรื่องหลอกตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญที่กามาทั้งหมดนี้คือเรื่องของสมมุทยัยอย่าก่อความ ม, มืดมึดปิดตาให้ตัวเองหาทางเดินไม่ได้เหมือนไปไม่ได้ก็อยู่ทุกข์ก็ต้องยอมรับจะทุกข์มากทุกน้อยก็ต้องยอมรับกันเพราะมันมีทางออกหนึ่งเยกว่าไปไม่ได้มันปิสสดตายถ้าตูปัญญามีไม่ได้นาํามาใช้ันจึงสอนให้ใช้สติปัญญา บุษราธรรมะหมายถึงความฉลาดจะให้ใครฉลาดจะให้อันใดฉลาดถ้าไม่ใช่ให้หวัวใจที่กําลังโง่อยู่เวลานี้ฉลาดไม่มีสิ่งอื่นถึงใดที่จะควรรับที่เป็นภาชนะรับความฉลาดได้ยิ่งกว่าใจเราจึงควรสร้างใจให้มีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาด้วยอุบายต่างๆแล้วทุกที่มีอยู่ในจิตใจนี้จะเได้ผลลูกผลข้าวเราก็ล้านเลนออกไป จะไม่มีใครมาสร้างกองทุกข์ทำห้องน้ําห้องส้วมขับขายอยู่บนหัวใจเราตลอดมาและตลอดไปเ <_ C 1> ช่นที่โลคที่โกธรขี่หลงมันไม่เป็นของดีแล้วหรือมันขี่อยู่บนหัวใจกดมันขับขายอยู่บนหัวใจกดมีขี้ของจิเลตเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับขี้ตัดขี้บุคคลขีดกัดแล้วก็เอาหัวใจเป็นห้องส้วมที่ด้วย เงาที่อื่นไม่เหมาะสมกับวิริยะวิรือจึงเป็นธรรมาชาติที่สูงเด่นในหัวใจของสัตว์สามารถจะถายลดบนจิตใจของสัตว์ได้อย่างสมายสบายนอกจากพระพุทธเจ้าและพระหันท่านเท่านั้นจะไม่อาจเอื่อมได้เลยถ้าวามากซึ่งเคยอธิบายให้ฟังแล้วได้แต่อะไรถ้าไม่ใช่ความฉลาดนี้ ความตลาดนี้ที่จะสามารถรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ให้เปิดเผยขึ้นมาและนิโรธคือความดับทุกขามักสามารถแก้ที่เลียดอันเป็นตัวสังผมแห่งทุกข์ได้ออกมากน้อยได้มากน้อยเีิงหละเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับตามกําลังของเหตุคือมัก ถ้ามรตมีกําลังความสามารถเป็นที่ที่เลสก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้ถลายตัวไปหมดเรียกว่านิโรธแสดงเป็นที่ที่กามาทั้งหมดนี้มีอยู่ในสถานที่ใดถ้ามันมีอยู่ที่ใจของเราซึ่งเป็นภาชนะอันตั้มสัญควรแจกสิ่งเหล่านี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นใดที่เป็นที่จะผลิบิีเลสทือเป็นกองทุกตลอดทิ้งมรตเปนนิโรธนิพานขึ้นมามีใจดวงเดียวนี้เท่านั้น ท่านสื่นสอนสัตโลกตรงที่ใจแห่งเดียวการวาจาเป็นเพียงเครื่องมือของใจถ้าใจได้รับการอบรมด้วยดีแล้วการแสดงออกทางกายทางวาจาก็อ น, อ น, นุ่นนวลน่าดูมีเหตุมีผลถ้าใจได้ขาดเหตุขาดผลเพราะคำโง่เขลาชื่ออย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็จะดูไม่ได้แม้จิตใจ ตัวเอก็ดูไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้เป็นไฟทั้งกองร้อนไปหมดไม่กําหนดว่าจะถ า, านที่ใดจะเป็นที่รมเย็นถ้าใจไม่ร้มเย็นเสียอย่างเดียวโลกนี้จะกว้างแสนกว้างกม็มีที่ปล่อยที่วางไม่มีที่ยับยั้งมีใครที่จะแสดงทําได้ถุดกล้องแม่นดัง เปิดทางค้นทุกข์ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งกว่าสาขาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้หนึ่งไม่มีแล้วมีผู้ใดที่จะถอดถอนที่เลียอาสะระซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันเป็นภัยสำผันออกจากใจได้นอกจากตัวของเราเองจะเป็นผู้สามารถถอดถอนตัวเราเองในหลักธรรมกางกาลไว้ว่าตรุงเทให้จิตกลางจิต จังอาตะปังอาขาตาโลตถากตาความเพียรเพื่อแผดเผาทิเลหลือเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายทําเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ที่บอกแนวทางให้เท่านั้นนะจึงลงในธรรมะอตตาอิสนโนนาโขตนนั้นแหลเป็นที่พึ้นของตดเมื่อได้เครื่องมือจากท่านมาแล้วก็เป็นผู้ทําหน้าที่จะมาให้ท่านทําหน้าที่แทนแล้วถอดถอนที่เหลือแทนได้อยนะ่างไร ว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ลึกทารุโภทั้งหลายแต่ละแต่ละองค์ท่านทําให้สัตว์โลกได้แล้วสัตว์โลกก็ไม่ควรจะมีชีวิตไม่ควรจะเกิดแก่เจด็จตายแบบทุกข์ความลําบากมาจนกระทั่งถึงพวกเราเพราะไม่มีใครที่จะมีความสงสารมากที่สุงสงสารสัตสว์โลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและทารุโภทั้งหลายทําไมท่านจะเอาพูดง่ายๆธรรมศาสขอา ว, ว่าทําไมท่านจะหลักหูหลับตาอยู่ได้ ท, ทั้งทั้สิเห็นสัตว์โลก เป็นเพราะกองทุกความทรมานและสามารถที่จะถอดถอนหรือแก้ไขช่วยได้โดยลําพังพวกอื่นซึ่งทัดโลกทั้งหลายไม่ต้องทํางานอะไรทั้งสิ้นนั่งอยู่สบายนอนอยู่สบายให้พระพุทธเจ้าทรงถอดถอนกิเลสให้ไม่มีกนะทันยว่าอตานิโนนาโถให้เป็นที่พึ่งของตนธรรมอตานิโนนาโถนี่เป็นธรรมที่เด่นครับเป็นธรรมที่สาคัญอยู่มาก ในวงศาสนธรรมเราจะเห็นได้ชัดในขนาดที่เราพุธาทธปฏิบัติธรรมในส่วนภายในอันละเอียดขึ้นไปโดยลำดับลำหน่่าสติปัญญาจะพยายามช่วยตัวเองตลอดเวลาเช่นกับธรรมจักคือหมุนตัวเป็นเกลียวรอบจิตใจอยู่เพื่อการากฟาดฟานหันแหลกกับที่เดล็กให้มีทราบเหลืออยู่ภายในจิตใจเลย มีเป็นอาาัตตาอิจฉโนนาโถแท้ผู้ปฏิบัติจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอต า, าอิจฉโนนาโถที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีความหมายอย่างไรจะเห็นได้ชัดแม้แต่เรื่องภายนอกก็ยังเห็นได้ชัดอยู่เช่นเราอาใัยผู้ใดเราไม่ทําตัวให้เป็นหลักเป็นเกยียนก็นไม่ไม่มีใครที่จะสนใจเนื้อแนแลน้วไม่ทางเราให้เกินกว่าน่้กดผมไปได้ แต่ทํางานรับจ้างเขาเป็นรายวันรายเดือนก็าตามแต่งานไม่ทําคอจะจะเอาแต่เงนินเดือนขายจะมีเงินเดือนที่ไหนมาให้คนขี้เกียจที่ค้านอนอยู่เฉยถ้าไม่มีการทํางานเนี่อาศัยผู้อื่นโดยทายเดียวโดยเจ้าของไม่ให้คนอื่นเขาจอาศัยและตนก็ไม่มีความสามารถภายในตนเองที่จะทํางานนั้นนให้สําเร็จก็ได้ถ้ตาตั้งยาโนโนราโถงไม่ปรากฏและใจผู้อื่นเขามีแก่ใจช่วยได้ช่วยเราได้ไง การที่มาทำถ้าพยายามพิจารณาค้นคว้าภายในร่างกายและจิตใจของเราซึ่งแสดงเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่หยุดหย่อนในทางอัญญาแล้วเราจะเห็นช่องทางบุกเบิกกิเลสออกไปโดยลําดับและเห็นทางเพื่อความค้นทุกข์ไปเป็นชั้นๆและค้นทุนนกข์ไปได้โดยที่เชิงประจัดกลับไปโดยไม่ต้องไปรอวันนั้นวันนี้หรือไปถามใครๆทั้งสิน้นราะสาสนธรรมประกาศลงแล้วที่จิตใจ เห็นจะเห็นที่จิตใจรู้ที่จิตใจพ้นที่จิตใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่พ้นครอบทิ่เละไม่อยู่ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตใจที่โดยไถ่เองมีจุดนี้เป็นจุดที่สถิตที่เป็นที่อยู่ของที่เละและบาปทำทั้งหแก้กันยึงแก้กันลงที่จุดนี้อ๋อมีมาละอลักษิตเตวังดับ